คลุมม่านหมอกทางปากถ้ำดวงตาเป็นประกายคมวาวทั้งคู่รี่ซึมลงนีลาเดินนำไปเบื้องหน้าห่างประมาณสามเก้าตามหลังเงาทรายมีทรโมนูใหญ่อีกสองตัวกระชันชิดมาด้วยเงาทรายทิ้งผู้กองระพินกับนายหญิงไว้เบื้องหลังเพราะอยู่ในอาการรีบด่วน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 เงสายเริ่มผ่อนฝีเท้าให้ช้าลกพยายามสะดับกลับฟังรอบตัวแต่มันก็ดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยกระแสลมอ่อนพัดไล่หลังเราอยู่ตลอดเวลาพากลิ่นไอของเราไปเบื้องหน้าบางขณะเงสายพยายามปลอบใจตัวเองว่ามันยังคงไต่ทางขึ้นมาไม่สำเร็จและนั่น คือความหวังอันแจม่มใสเพราะโอกาสที่จะยิงมันได้จากที่สูงอย่างถนัดถนีแต่บางขณะแงยสายก็คิดว่ามันไต่ทางขึ้นมาถึงข้างบนแล้วกำลังได้กลิ่นเราทั้งหมดที่เดินใกล้เข้าไปและซุ่มรอคอยจังหวะอยู่ซึ่งนั่นหมายถึงความหายยนะแห่งชีวิตอันยากที่จะคลี่คลายแก้ไขได้ทันท่วงทีในสภาวะการเช่นนั้น ในความคิดเช่นนั้นทำให้แง่ายต้องคิดตำหนิตัวเองที่ไม่ควรจะด่วนเดินผละจากผู้กองรพินล่วงหน้ามาก่อนเลยเพราะสี่หูย่อมดีกว่าสองหูและปืนสองกระบอกก็ย่อมดีกว่ากระบอกเดียวและเหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดแง่ายมีความเชื่อมั่นอย่างแน่นแฟ้นว่าจะไม่มีใครได้รับอันตรายจากสัตว์ ร, ร้ายทุกชนิด เมื่ออยู่ใกล้ผู้กองรพินแง่สายอาจจะพลาดได้แต่ผู้กองต้องไม่พลาดมันเป็นธรรมชาติพิเศษส่วนหนึ่งของเขาที่สวรรค์ประทานมาให้ในงานที่เกี่ยวกับการล่าซึ่งแง่สายตระหนักดีมานานแล้วแต่ตอนนั้นแง่สายก็ถอยหลังกลับไม่ได้ซะแล้วในเมื่อนีลาและทะหารทรมล์ที่ร่วมทางไปด้วยกัน ไม่มีตัวไหนถอยหลังเลยแม้จะแสดงความตื่นเต้นหวาดหวัน่นและไม่แน่ใจต่อสถานการณ์ทุกฝีก้าวที่ย่างไปการทวงฝีเท้าจนกลายเป็นย่องของแง่ทรายทำให้ทำโมลอีกตัวหนึง่งล้ำหน้าตัดผ่านแง่ทรายไปและไปเดินอยู่ด้านหลังของนีลาแง่ทรายทิ้งระยะจากเจ้าสองตัวนั่นห่างพอที่จะฉายไฟเห็นหลัง การถ่วงฝีเท้าของแง่ทรายจนกลายเป็นย่องทำให้ทำโมนอีกตัวหนึ่งลำหน้าตัดผ่านแง่ทรายไปและไปเดินอยู่ด้านหลังของนีลาแง่ทรายทิ้งระยะจากเจ้าสองตัวนั่นห่างพอที่จะฉายไฟเห็นหลังทันใดนั้นเอง ท, ง, ทงทั้งที่คิดอยู่ตลอดเวลาแล้วว่าวินาทีวิกฤตมันจะอุบัติขึ้นเมื่อใดก็ได้แง่ทรายก็ได้ยินเสียงลมหายใจอย่างแรง แรงทิจนแทบว่าจะปลยวมาประทะตัวแงซทรายให้พังะลอยไปเสียงนี้ดังขึ้นพร้อมๆกับเสียงยงร้องอย่างตกใจของนีลาและทรโมนอีกตัวหนึ่งแล้วเงาทมึนมาคือมาเงาหนึ่งก็โผล่พรวดพลาดออกมาจากหลังก้อนหินใหญ่และเห็นในความมืดไม่ผิดอะไรกับอสูรแผ่นดินที่ยืนอยู่ไหวสะเทือนเหมือนจะแยกถลม่มลงนีลาขณะนั้นอันตรธานไปทางใด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 มันตะลุยพุ่งเข้ามาหาเงาซรายในทันทีที่เงาทายลั่นกระสุนนัดที่สองเงาทรายเว้นระยะการเล่าลงชั่วขณะยกมือทั้งสองขึ้นลูบใบหน้าอันมอมแมมเป็นมันระยับไปด้วยละอองไอ้น้ำทุกคนเงียบกริบเบิกตามองเจ้าคนใช้พิเศษของคณะเป็นตาเดียวกันอย่างตื่นเต้นเหมือนจะมองเห็นภาพนั้นปรากฏขึ้นกับตา มีหินใหญ่อยู่อีกก้อนหนึ่งบังอยู่ในทิศทางเบื้องหน้าระหวา่างเงใสายกับมันเงใาสายคำนวณแล้วว่าจะอย่างไรซะหินก้อนนั้นก็เล็กเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดความใหญ่โตของไอ้สามเขาแต่เงาสายไม่มีโอกาสจะเลือกก็เลยโดดเข้าไปหลบบังบงอยู่หลังก้อนหินนั่นใช่ไหมเ<ม>ชฐาถามแทรกขึ้นเป็นประโยคแรก เจ้ากระเรียงฉู ง, งามก้มศีรษะลงพร้อมกับฝืนยิ้มออกมาปราบปลาไหลห็นไรฟันงามแถวหน้าขาวับเป็นระเบียบครับนายใหญ่แงส า, ายโจน้าหายหินก้อนนั้นครับเพื่อจะดึงลูกเลื่อนบรรจุกระสุนนัดที่สามแต่มันไม่ให้โอกาสแงส า, ายอีกเลยไม่ยอมแม้แต่จะวกอ้อมลีขินก้อนนั้นเข้าไล่แงส า, าย แต่มันใช้วิธีตลุยเข้าปะทะชนหินใหญ่ทั้งก้อนที่แงซายหลบมุมอยู่แล้วก็ดันหินก้อนนั้นพลิกเคลื่อนที่บทเข้าหาแงไซายเหมือนใครสักคนนึงกลิ้งครกหินเข้าบททับมดเช่นั้นความรู้สึกของแงซรายยามนั้นเหมือนนรกทั้งขุมวูบเข้าครอบงำจำได้อย่างเดียวแต่ว่าพอหินเริ่มถูกชนและกลิ้งเข้าหา แง่าสายก็พยายามเพลนถอยหนีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้แล้วตัวเองก็ล้มกลิ้งลงด้วยความรู้สึกครั้งสุดท้ายในขณะนั้นว่าร่างกายคงไม่เหลือเป็นตัวตนอีกแล้วจากนั้นแง่าสายก็จำอะไรไม่ได้ไปชั่วขณะอาจจะหมดสติหรือมิฉะนั้นก็คงจะสลบไป เธอกระเด็นตกจากหน้าผาบริเวณนั้นไปเหรอแง่ท า, ายดารินถามโดยเร็วหามไม่ได้ครับนายหญิงแงา่ายตอบด้วยเสียงที่แหบพร่าลงแง่ายไม่ได้หลุดพ้นไปจากรัศมีของหินก้อนใหญ่ที่เคลื่อนเข้าไล่บททับนั่นเลยครับทั้งๆ ท, ที่พยายามจะทำเช่นนั้นเหตุการณ์มันกระทันหันและหินก็ก้อนใหญ่เกินไป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 ไม่เห็นและไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้นครับนอกจากเสียงเต้นของหัวใจตนเองซึ่งบอกให้แง่สายทราบว่ายังไม่ตายเมื่อแรกรู้สึกแง่สายยังไม่แน่ใจนักพยายามสงบ จ, จิตใจไข้ครวญสอบหาความจริงอยู่ขณะหนึ่งแล้วก็พบว่าแง่สายยังมีลมหายใจอยู่จริงๆรร่างกายก็ไม่มีส่วนใดชารุด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 ตอนนั้นแง่สายตะโกนเรียกชื่อผู้กองรพินจนสุดเสียงเรียกซ้ำๆอยู่หลายครั้งครับแต่เสียงของแง่สายก็สะท้อนก้องกลับมาหลอกหลอนตัวเองไม่มีสัญญาณใดๆบอกได้เลยว่าเสียงของแง่สายจะรอดพ้นขึ้นไปได้เท่าเท่ากับที่ไม่ได้ยินเสียงใดๆแววลงมาเลยเหมือนกันแง่สายถูกตัดขาดออกจากโลกเบื้องบนโดยสิ้นเชิง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 ในเจตสิ์ของแงสายก็คลับคล้ายคลับคลาว่าจะแววเสียงหนึ่งกระซิบอยู่ในหูว่าแงสทายเจ้าจะงอมืองอตีนรอความตายอย่างโง่งเงาอยู่เช่นนั้นลแง่ทายก็เลยร้องถามออกไปว่าใครแล้วก็ขนลุกชันขึ้นทั้งกาย เมื่อแววเสียงตอบว่าเราคือฤสีโกนทันยะพระคุณเจ้าโปรดด้วยเธอดแงซายถูกฝังตั้งเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แล้วแงซายไม่มีใครช่วยเหลือเจ้าได้หรอกนอกจากตัวหัวของเจ้าเอง แางาทายไม่มีกำลังพอที่จะเคลื่อนหินที่บททับอยู่ข้างบนนี่ออกไปได้เลยนะครับพระคุณเจ้าใช้สมองของเจ้าสิถามตัวเองว่าที่เจ้ามีลมหายใจอยู่ได้ในขณะนี้อากาศมาจากทางไหน แล้วเสียงของฤาษีโกลธัญญาก็ขาดหายไปจากสตดประศาสตร์หรืออาจจะเป็นทางดวงจิตของแง่ไซอย่างไรก็ตามนั่นคือช่องทางแห่งปัญญาซึ่งท่านได้ชี้ให้แก็บผมแล้วถูกแนละ้วความตกใจต่อเหตุการณ์ทำให้แง่ไยเคลาและขาดสติจนลืมคิดถึงความจริงไปเสยอย่างหินใหญ่ปิดทับแง่ายไว้เบื้องบนอย่างสนิทที่สุด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 าาาประมาณครึ่งชั่วโมงต่อมาอากาศสดก็ผ่านเข้ามากระทบหน้าของแง่ทรายจากความมืดของเหวใตดินที่แง่ทรายคลา ม, มุดเลื้อยมาโดยตลอดนั้นบัดนี้เลยเห็นสีขาวมัวของหมอกจากปรากฏการณ์ของท้องฟ้าภายนอกปรากฏรำไรให้เห็นครับแง่ทรายรอดตายแล้ว ขนทางที่โผล่มาและสามารถยืนยืดกายขึ้นรับกับอากาศเบื้องนอกได้อีกครั้งเป็นซอกหินในเส้นทางด่านอันเทราชันตออหนึ่งซึ่งแงซายทราบว่าแท้ที่จริงมันคือทางด่านสูงชันด้านที่ไซเซราท็อปใช้เป็นทางบุกรุกขึ้นมานั่นเองหางจากที่เกิดเหตุตอนที่ไอสามเขาชนก้อนหินเข้าบททับแงซายไม่ไกลนัก และเมื่อนั้นเองเสียงของฤาษีโกนทัญญะก็แววมาอีกครั้งแง่ท า, ายเจ้าปลอดภัยแล้วแต่พรานใหญ่ระพินกำลังตกอยู่ในอันตรายรีบไปช่วยเขาพระคุณเจ้า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 ของต้นไม้ที่ลมฟาดเขาลงมานั่นเองแง่าสายจงรีบกลับไปแก้ไขเถิดท้าเจ้าตระหนักว่าเขาเป็นบุคคลที่มีค่าที่สุดสำหรับเจ้าไม่มีใครสำนึกได้หรอกว่าเขากำลังจะตายนอกจากเจ้าคนเดียวเท่านั้น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 ชายันและดารินก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วยความเต็มตื้นทราบซ่านใจในความเมตตาปราณีของนักพรตผู้ทรงศีลเหลือที่จะกล่าขอให้พระคุณเจ้าจงจำเรินและสำเร็จในธรรมชั้นสูงสุดเช่นที่ตั้งปรารถนานั้นไว้เถิดถึงยังไงท่านก็ยังมีน้ำใจที่เผื่อแผ่เมตตาให้แก่พวกเราทุกคนเราจะไม่ลืมเมตตาธรรมของท่านเลย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 เราเห็นกันว่าแกสิ้นไปคนหนึ่งแล้วแล้วผู้กองรบพินกำลังจะสิ้นตามแกไปอีกคนนายหญิงพยายามจะแก้ไขผู้กองเท่าใดก็มองไม่เห็นทางว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาได้แต่แล้วก็เหมือนพระเจ้ามาโปรโดแกยังไม่ตายซ้ำยังกลับมาช่วยชีวิตผู้กองได้อีกด้วยชายันพูดเสียงเครือน้ำตาเออออกมาด้วยความตื้นตันเหลือขนาด ข้ามอโอบแขนกอดรอบไหลเจ้าคนใช้พิเศษไวแน่นกระชับไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าเขายิ้มหรือร้องไห้ในขณะนั้นกล่าวอย่างพยายามฝืนระงับความรู้สึกต่อมาว่าแง่ า, ายแกสมแ ล, ะละ้วล่ะที่เป็นเจ้าแห่งไพยกว้างเคียงบาเคียงไหลคู่กับผู้กองระพินก่อนหน้านี้ฉันคิดว่าฉันไม่ชอบหน้าแกนัก เพื่อจะมาเข้าใจความรู้สึกแท้จริงของตัวเองเอาวินาทีสุดท้ายเมื่อคิดว่าเราได้สูญเสียแกไปแล้วนั่นแหละนั่นคือฉันรักแกว่ะและพวกเราคนอื่นๆทุกคนก็รักแกทั้งนั้นแม้แต่ผู้กองรบพินซึ่งมีท่ามันจะเกลียดแกอย่างเข้ากระดูกดำแกคงไม่รู้หรอกว่าผู้กองนะ่ะยืนน้ำตาไหลอยู่ข้างๆก้อนหินลูกที่บททับกัน่ะ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 และขอสาบานต่อดวงจิตอันศักดิ์สิทธิ์ของฤาษีโกนทัญญาไว้ณที่นี้ด้วยว่าแงาายจะซื่อสัตย์ต่อคณะเจ้านายตลอดไปครับเจ้ากระเรียงฉุมงามเปลี่ยนสายตาไปจับนิ่งอยู่ที่ร่างอันนอนนิ่งไม่ไหวกายของระพินไพรวัฒนสสำหรับผู้กองระพินผมยังทราบถึงแก่นแท้แห่งน้ำใจของเขามานานแล้วและโดยใจจริง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 ได้ยินกับตนเองยิ่งนะักไงทายพวกเราทั้งหมดได้ไปยืนล้อมดูอยู่ที่ก้อนหินนานๆทีเดียวมาเรียพูดขึ้นบ้างตาสีดอกผักตบของหลอนเริ่มมีประกายวาว า, วามขึ้นยิ้มสดใสออกมาได้พวกเราช่วยกันตะโกนเรียกหาเธอเอะอะลั่นไปหมดโดยมีความหวังรงังๆว่าเธออาจหลบหนีไปอยู่ในละแวกที่ไม่ห่างออกไปนะัก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 ว่าเองน่ะติดอยู่ใต้ก้อนหินนั่นแล้วมุดออกมาทางรูมเมน่นเฮ้ยแต่ความจริ ง, อ, งอ่ะเองอาจหลบมุมไปนั่งพักสบายอยู่ตรงไหนสักแห่งหนึงหลังจากไอท้ที่ไอสามเขาขีดเองผิดเพื่อจะคอยแอบ ด, ดูว่าพวกเรามีความรู้สึกยังไงมั่งเมื่อคิดว่าเองไตหงุดไปละเสร็จแล้วก็ค่อยโผล่กลับก็ามาใช่ไหมล่ะที่ข้าวา่าเนี่เองอย่ า, ากุศลกับมันนักเลยวะไอเ้เซย แง่ทรายนะ่ะมันคงไม่โกหกหรือลูกไม้อะไรหรอกคราวนี้แต่เ้าบุญคําหันไปแก้แทนให้แง่ทรายเป็นครั้งแรกเจ้าคนถูกกล่าวหาไม่ตอบว่าอะไรนอกจากยิ้มขึ้นๆเฉยๆตลอดเวลาคนเหล่านั้นพูดจากันเป็นภาษากะเหรี่ยงโดยที่เจ้านายทั้งหลายฟังไม่เข้าใจและก็ไม่ได้หันมาสนใจนักด้วยปล่อยให้แง่ทรายพูดจาสนทนากับเพื่อนเพื่อนรานพืน้นเมืองซึ่ง คงจะอยากสักถามอะไรบ้างตามประษาคนรักสนิทร่วมเป็นร่วมตายกันมานานคิดไปแล้วมันน่าจะกระเทือไปสางปลานักจันท์บอกหันไปมองดูเจ้าตองสู่ที่คอยเฝ้าดูตัวยาดูติดแผลของระพินพร้อมกับอ้าปากเขาวอยู่วอดวอด่าทางมันไม่เคยจะยินดียินร้ายอะไรกันนะักพอรู้แน่ว่าแง่ไซมีชีวิตอยู่ มันแสดงอาการตื่นเต้นยินดีขึ้นมาขณะหนึง่งแล้วก็ไม่สนใจจะซักถามอะไรอีกมีหน้าที่จะต้องเป็นหมอแก้ไขเรื่องพิษแมงมุมที่มันถนัดมันก็ทาของมันไปตามเรื่องสลับกับไปนั้นสลับไปนานนานก็หันไปดูดกัญชาจากบ้องสักครั้งหนึง่งควันหลบอบอวนขมวงไปหมดตัวมันเป็นหมอแก้สารพัดพิษอยู่แล้ว เห็นอาการของพรานใหญ่มันก็น่าจะเฉลียวใจคิดรู้บ้างนี่ปล่อยให้นายหญิงปลําไปคนเดียวกว่าจะรู้เรื่องได้ก็จนเมื่อแง่สายโผล่กลับมาโงูริยำเอ้ยเอ็งก็อย่าว่าไปว่ามันนักเลยว่าจัน์ก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้สางปลานะ่ะมันไอ้บองตันมันคงนึกไปไม่ถึงเหมือนกันเพราะความตกใจดีเท่าไรแล้วที่มีมันร่วมอยู่กับเราด้วยนะ่ะ ไม่มีมันสักคนเดียวเราจะแย่ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนายทหารแง่ายเคยรอดชีวิตมาแล้วนะเพราะมันมาคราวนี้พรานใหญ่อีกคนบุญคำซึ่งขนาดนี้อารมณ์ดีขึ้นเป็นพิเศษจากนิสัยเดิมที่มักงุดหงิดชอบด่าพ่อล่อแม่คนอื่นอยู่เป็นประจำช่วยแก้มาให้อีกพร้อมกับเอื้อมมือไปลูกกระบาลสางปลาอย่างเอ็นดูเจ้าตองสู่หันมายิ้มให้หวานจ้อย วันนี้ตาเท่าของกูน่ารักจริงวะ่ะว่าแล้วก็ส่งบ้องกัญชาประเคนให้หินจะหมดเคราะห์กันไปสะทีทางด้านกลุ่มนายจ้างท่านหัวหน้าคณะเอ่ยขึ้นอย่างแจ่มใสที่สุดว่าแต่เมย์ลองถามสั่งตาดูสิว่ารพินจะ ร, รู้สึกตัวอีกสักเมื่อไหร่แม่สาวหันไปส่งภาษากับคนรับใช้ประจำตัวของหล่อนแล้วบอกว่า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 ออกเดินทางจากที่นี่ได้แน่นอนละเชษถฐาพยักหน้าพอวางใจต่อสถานการณ์ได้ทุกคนก็เริ่มรู้สึกถึงความอ่อนลา้าระโหยระเหียและอยากจะพักที่สุดขณะนั้นเข็มเวลาจากนาฬิกาเดินป่าของหัวหน้าคณะชี้บอกสนาฬิกา45นาทีและอากาศก็แสนจะหนาวเหน็บเข้าคั่วหัวใจซึ่งตลอดเวลาแห่งความฉุกระหุ ทำให้ทุกคนลืมซะอย่างสนิทเพื่งจะมารู้สึกขึ้นอีกครั้งเอาเดี๋ยวนี้ช่างมันเถอะเสียเวลาสักวันสองวันก็คงไม่รไรหรอกขออย่างเดียวอะให้ระพินปลอดภัยก็แล้วกันเขาเป็นอะไรลงไปเราก็เดินทางไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้ก็เป็นอันว่าน้อยปล่อยภาระรับผิดชอบในอาการของระพินไว้ให้สั่งปาตามลาพังก่อนแล้วกันแล้วเขาก็หันไปจับไหล่แง่าย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 มองดูพรานใหญ่อยู่เงียบๆดารินวราฤทธนั้นพิสูจน์ออกมาได้ยามนี้ว่าทรหดอดทนที่สุดเพราะอย่างน้อยวิญญาณแห่งการรับผิด ช, ชอบในด้านแพทย์ของหล่อนก็เป็นเครื่องเสริมพลังอยู่หล่อนกําลังจะล้มตัวลงนอนอยู่แล้วแต่พอเหลือเพลินแง่ทรายยังนั่งอยู่ก็เลยชะงักอยู่ในอาการครึ่งนั่งครึ่งนอนนั้นแง่ทราย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 ดารินจ้องสังเกตแล้วก็กัดริมฝีปากนิดหนึง่งอย่างไม่ค่อยจะสบายใจนักขาซ้ายของเธอไม่ปกตินะไงไซมันลักลาดยังไงพี่กุลแม้ว่าเธอจะพยายามทําให้ดูเหมือนปกติไงไซไม่เป็นอะไรมากหรอกครับนายหญิงเพียงแต่เครสยอกเท่านั้นพรุ่งนี้ก็อาจหายเป็นปกติไงไซสาบานว่า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 และให้การเดินทางของเราเรียบร้อยเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บยังไงก็ควรจะรีบบอกฉันทันทีเพื่อจะแก้ไขได้ทันท่วงทีอย่านึกว่าการเงียบไว้นะมันจะแสดงถึงความเข้มแข็งผู้กองนะเป็นคนโง่งค น, นหนึ่งแล้วในเรื่องเช่นนี้ฉันไม่ต้องการให้เธอต้องโง่กแกมยิงอย่างเขาอีกคนเข้าใจไหมแง่ทร า, า, ายแง่ทรายเข้าใจครับนายหญิง และสัญญาว่าจะไม่ให้นาหญิงต้องลำบากใจในเรื่องนี้เป็นอันขาดครับดารินลุกขึ้นเดินอ้อมกองไฟมาสุดกายลงนั่งข้างๆสางปาผู้กำลังทำหน้าที่เป็นบุรุษพยาบาลครานใหญ่อยู่ในระหว่างที่ทุกคนหลับหมดแล้วยักหน้าให้องค์คารักประจำตัวของหล่อนนั่งลงตรงหน้าใกล้ๆส่งยาเม็ดชุดหนึ่งสามเม็ดสีสันต่างๆให้ออกคาสั่งว่ากินซะ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 สีน้ำตาลด้วยไอแดดแต่อ่อนนุ่มยาวปกต้นคอนั้นเราจะคุยกันเป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะสักสองสามนาทีก่อนที่ยานอนหลับของฉันจะออกกรธินะครับนายหญิงราจะสะกุลสาวชำเลืองไปทางสางตาและบุยปากนี่หวังว่าเจ้าสางตาคงฟังภาษาไทยที่เราพูดกันอยู่นี่ไม่รู้เรื่องแน่นะ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 เจตนาอะไรที่ต้องโกหกเขาด้วยแา่สายอึ้งไปครู่ก็เงยหน้าขึ้นไปเชิญสายตาตรงกับนายหญิงอย่างเปิดเผยนายหญิงอาจไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าผู้ ก, กองมีคำสั่งให้แง่ส า, ายตามล่าสายเซระทอตัวนั้นตามลำฟังคนเดียวเขาสั่งแง่ส า, ายอย่างเฉียบขาดแล้วก็ไม่อนุญาตให้ใครร่วมมือกับแง่ส า, ายด้วยทั้งสิน้น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 คนของเขาถึงสี่คนนั่นไงขยินนั่นก็อีกคนนึงทําไมเขาถึงไม่ใช้เพราะเขารู้ดิว่าคนเหล่านั้นมือไม่ถึงเธอหน่าแหละเธออย่าคิดขุนใจว่าเขาจะแกล้งเธอเลยนายหญิงครับเงยท า, ายไม่ได้โกรธเครืองหรือคิดขุนใจอะไรผู้กองหรอกครับเงยท า, ายมีแต่ความวิตกและกังวลเท่านั้นแล้วก็เพราะสาเหตุนี่แหละทําให้ต้องออกอุบายหาทางเหนี่ยวรัง้งเอาผู้กอง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 ในายใหญ่ตื่นและใช้แง่ทรายออกมาตามคำบอกของแงาทรายเช่นนั้นเลยทำให้ผู้กองเปลี่ยนใจไม่อยากจะกลับเข้าไปในที่พักขนานั้นก็เลยต้องตามแงาทรายไปโดยปริยายหญิงสาวถอนใจเฮือกออกมาอีกครั้งสายหน้าไปมาอยู่เช่นนั้นนี่แง่ทรายบอกจริงๆเลยนะเธอกระพินนี่เลียมจัดด้วยกันทั้งคู่กินกันไม่ลงเลย และจะโทษฝ่ายใดก็ไม่ถนัดนักเพราะร้ายพอๆพอก็ได้แหละไม่มีใครดีกว่าใครแต่ถึงยังไงเหตุการณ์ในคืนนี้ก็ให้ความประทับใจปราบปลื้มแก่ฉันอย่างที่สุดแงาายเกือบตายผู้กองระพิงก็แทบไม่รอดและนายหญิงปราบปลื้มใจอะไรล่ะครับเจ้าองครักษพิเศษตีหน้าเซอร์ถามมาก็ความเกือบตายของแงซาย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 ไหนแต่ไรมาน่ะแง่ทรายก็ไม่เคยจะลองดีขัดแย้งอะไรกับผู้กองเลยนะครับนี่ไม่ต้องมาเถียงแก้ตัวหรอกเรานะ่ยตัวดีนะักคอยยวนแย่เขาเงียบเงียบอยู่ตลอดเวลาเธอเป็นฝ่ายเริ่มก่อนทุกครั้งแง่ทรายทําให้เขาต้องเสียบุคลิกของคนใจเย็นหนักแน่นลงไปมากแล้วก็ฉุนเฉียวพื้นสีอยู่ตลอดเวลาฉันนะ่ะไม่ชอบไปเขาแยกเขี้ยวเข้าใส่เธอหรือแม้แต่ฉันเองในเวลามีเรื่องนะ กองเขก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วล่ะครับนายหญิงตั้งแต่เขายังเป็นนายตํารวจตะเวนชายแดนเขาชอบแยกเขี้ยวใส่คนทุกคนแหละหรือบางทีก็แยกเขี้ยวใส่ตัวเองในะกระจกเงาด้วยแงาทายพูดพร้อมกับยักไหล่แต่เขาก็ไม่เคยฆ่าใครมีแต่จะช่วยเหลือเจียจานแง่ทรายเองก็ไม่อยากให้เขาเสียบุคลิกเดิมหรอกในการชอบแยกเขี้ยวเกลียวกราดของเขานะแต่ ไออาการแย่เขี้ยวเกลียวกราดของเขามันน่าดูดีนะคนอย่างผู้กองรพินน่ะถ้าลงหน้ายิ้มระรื่นอยู่ทั้งวันละ่ะไม่สวยหรอกนายหญิงต้องให้ตีหน้ายุ่งคิ้วขมวดอย่างนี้แหละถึงจะสวยคำพูดของแง่ทรายทำให้ดารินหัวรอคขี้อองมาได้เป็นครั้งแรกอารมณ์เริ่มพองสาสแช่มชื่นขึ้นอย่างประหลาดอืมก็จริงเหมือนกันนะจริงอย่างเธอว่า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 เองยังไม่ตายแน่นะไม่ตายแน่นะไม่ต้องห่วงหรอกถ้าข้าตายข้าจะมาหาเองเป็นคนแรกอุ้ยสั่งปลาร้องเจ้ากเกรียงฉุ่มงามผู้ลึกลับเอื้อมมือมาจับที่ข้อมือของครานใหญ่ซึ่งวางประสานกันอยู่บนอกดวงตาเริ่มเป็นประกายไปด้วยความหวังมือของรพินไพรวันอันเคยเย็นชืดประดุดท่อนไม้นั้น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 ข้าไม่คิดว่าเองจะไม่ตายซ้ำยังมาช่วยพรานใหญ่ได้ทันเวลาซะอีกแง่สายถอนใจเบาๆหยิบชวนปลายของดุนฟืนที่ถูกไฟกินลามออกมาข้างนอกเสือกสุมเข้าไปในกองข้ายังไม่ตายง่ายนักรกส่างตาจนกว่าข้าจะทำอะไรตามที่ข้าปฏิญาณไว้ได้สำเร็จขณะที่กล่าวแผ่วลึกนั้นดวงตาทั้งคู่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 ปล่อยให้ผ่านออกมาทางช่องจมูกและขอบปากราวกะโรงสีความสุขสุดยอดในชีวิตของมันอยู่ที่ไอบ้องยอดสเสนหาบ้องนี้ไม่เคยปลารมเรื่องใดอีกทั้งสิน้นกระนั้นก็ยังไม่ไวายจะถามแงาสายว่าเงาายแล้วเองปฏิญานอะไรนะปฏิญานไว้ว่าจะทำอะไรสิ่งจำเป็นที่สุด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 สมมติว่าการเดินทางครั้งนี้เสร็จสิ้นลงแล้วเจ้าสั่งปาคู่บุญของมาเรียนั่งกอดเข่ากระพริบตาปริบ ป, ปรปิมองหน้าแง่ายแล้วมือกุมหัวในที่สุดก็สั่นหน้าไม่รู้ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนทำอะไรเพื่อใครข้ามคนหัวเดียวกะเตรียมรีบไม่มีพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือลูกเมียแต่ สางปาหันไปมองทางมาเรียฮอฟมันซึ่งนอนตะแคงสงบนิ่งอยู่ด้วยสายตาจงรักพักดีแต่นายแมมนะเหมือนแม่ข้าวะ่ะนายแมมคงจะไม่ทอดทิ้งข้าคงเอาข้าไปรับใช้ด้วยไม่ว่านายแมมจะไปไหนแงสายยิมมองดูเจ้าเกลอชาวป่าอย่างสงสารในความซื่อของมันเป็นไปไม่ได้หรอกสางปา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 มันแบ่งแยกเขตกันอยู่แม้จะเทใส่กระบอกเดียวกันก็ตามนายแมมนาต่อให้รักเองเหมือนลูกสักขนาดไหนก็คงไม่ยอมเป็นภาระหอบหิ้วเองกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนด้วยและถึงจะได้เองก็คงทนอยู่ไม่ได้ในสิ่งแวดล้อมที่ผิดไปจากธรรมชาติเดิมของเองอย่างนั้นที่เองพูดมันก็จริงแง่ซรายแต่ข้าไม่คานึงถึงหรอก วาระสุดท้ายข้าก็อยู่กับไอ้บองกันชาของข้านี่แล้ววะทุกป่าทุกเขาข้าก็อยู่ของข้าได้คนเดียวเมื่อเคยต้องพึ่งพาใสายใครนี่วะคารักน้ำใจเองสางปลาในเห็นว่าเองคนเดียวเท่านั้นแหละที่ไม่มีจุดหมายปลายทางชีวิตเพราะฉะนั้นแง่ทายเว้นระยะไปนิดหนึ่งจ้องหน้าแล้วกล่าวต่อมาอย่างแผ่วเบา แต่ชัดเจนว่าเองไปอยู่กับข้าไหมสางปาเหลือบสุดตาอีกครั้งปากยังจอติดบ้องกันชาแล้วเองจะไปอยู่ไหนล่ะแง่ทรายแง่ทรายยิ้มละไมยอยู่ในหน้านั่นนะมันไม่เป็นปัญหาหรอกแง่ทรายข้าไปทิศเหนือเองก็ไปทิศเหนือกับข้าหรือข้าวกลงใต้เองก็ลงใต้กับข้าด้วย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 ทุกคนก็ย่อมจะแยกจากกันไปเราทั้งหมด12บชีวิตคงไม่ได้มาร่วมกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปหรอกแง่ า, ายข้าได้ยินกิติสัพ์ของเองมานานพอสมควรนะเองนะ่ะมันคนพเนจรได้ร่อนไปเรื่อยๆไม่ใช่หรอแง่ท า, ายก้มศรีรษะลงถูกต้องตามที่เองได้ยินมาข้าเป็นคนพเนจรแต่มันไม่ตลอดไปหรอก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 ข้าก็รักเองมากอยู่แต่อย่าเพิ่งใหข้ารับปากกับเองเะเดี๋ยวนี้ก่อนเลยเอาไว้เวลานั้นมาถึงซะก่อนแล้วข้าจะขออนุญาตนายแหม่มไปหรือว่าอยู่กับเองจอมพเนจรตบที่ไหลสางปลาหนักหน่วงพร้อมกับพยักหน้ายิ้มตกลงสางปลาเอาไว้ถึงเวลานั้นซะก่อนแต่ขอให้รู้ไว้เถอะนะว่าข้าจะไม่ชวนเองไปอยู่กับข้า ในขณะที่คณะพวกเราทุกคนยังต้องการเองอยู่หรอกข้าหมายถึงว่าทุกคนหมดเรื่องที่จะใช้เองแล้วเท่านั้นข้าไม่ได้มาชักชวในให้เองหลบหนีหรือว่าแตกแยกออกไปข้าน่ะเป็นคนโง่แน่ทายแต่ถึงข้าจะโง่ยังไงข้าก็ยังอดคิดไม่ได้นะว่าเองน่ะเป็นคนลึกลับที่สุดเองไม่ได้เป็นกระเรียง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 ถ้าการเดินทางสิ้นสุดลงทุกคนกลับหมดเองจะร่วมทางกลับด้วยไหมเนี่ ย, ยาสายสันศีษักงยิ้มเยือกขรึมอยู่เช่นนั้นตอบเช่นช้า ว, ว่าข้าจะไม่กลับไปอีกแล้วส า, า่งป่าทำไมล่ะแล้วเองจะรู้เหตุผลเองทีหลังแต่ขอให้เชื่อเถอะว่าข้าไม่ได้หักหลังหรือทอรยศต่อทุกคน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 ถึงข้าจะรักพรานใหญ่หรือพรานใหญ่จะรักข้าสักเพียงไหนนะแต่เสือสองตัวก็อยู่ถ้าเดียวกันไม่ได้หรอกสางปาเว้นแต่ช่วขณะที่มีความจําเป็นต้องมาร่วมกันเท่านั้นข้อนี้พรานใหญ่ระพินเองก็ย่อมตรหนักดีกล่าวดังนั้นแล้วแงาสายก็ลุกขึ้นยืนเต็มตัวบิดกายอย่างเมื่อยขบขณะนั้นมีเสียงห้าต่ำ ดังมาจากแท่นที่นอนของวายาจอมวานอนเจ้า ก, กระเรียงฉุ่มงามตัวปริศนาลึกลับที่สุดของคณะเดินทางเหลียวกลับไปดูเห็นประมุกแห่งนครลิงผงกชันศีษะขึ้นกําลังจ้องมองด้วยตาเบิกวาวมาก่อนแล้วเพราะสดตาก็ยกมือขึ้นโบกกวักเรียกไ ง, งาสายเคลื่อนเข้าไปหาจนชิดแท่นถอดสายตายแห่งความเป็นมิตรอันการุณ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 จงอย่าพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดแต่จงทำในสิ่งที่ควรกระทำเจ้าเป็นสิทธิ์ที่ประเสริฐสุดของฤาษีโกนทัญะญแง่ท า, ายเจ้าและพวกเจ้าทุกคนมีบุญคุณอยู่เหนือตัวข้าและลิงทุกตัวแห่งภูเขานินลาการนี้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 จะรับมือทหารทั้งอาณาจักรได้ทีเดียวหรือแงาสายอย่าลืมนะว่าเจ้าเพียงคนเดียวเท่านั้นจิงอยู่อีกสิบเอ็ดคนภายใต้การตัดสินใจของพรานใหญ่และนายใหญ่จะยืนจัดเคียงข้างเป็นเพื่อนร่วมตายกับเจ้าในเวลาสำคัญมาถึง แต่กาลังค้นเพียงส2สองคนกับอาวุธอันเป็นกระบอกสายฟ้าเพียงไม่กี่อันจะรับมือทหารทั้งอาณาจาักได้ทีเดียวหรือแงาสายยิ้มเหี้ยมเกรียมตาเป็นประกายวาวกล้าขอบใจมากวายาในคำเตือนของเจ้าเจ้าย่อมเป็นเสมือนสื่อกลาง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 เพศพันของข้าธรรมชาติแห่งข้าก็ไม่อาจจะเข้ากับพันมนุษย์ของฝ่ายเจ้าได้สนิทนักที่ข้าสามารถพูดจาทำความเข้าใจกับเจ้าได้อยู่ในขณะนี้ก็เพราะสะพานสายใยติดต่อซึ่งมหาฤาษีโกนทัญญะต่อเชื่อมให้เท่านั้นถ้าฤาษีโกนทัญะตัดสายเชื่อมโยงนี้ออกเมื่อใด ข้าก็มองเห็นพวกเจ้าทั้งหลายเป็นสัตว์ประเภทหนึง่งเท่าเท่ากับที่พวกเจ้าก็เห็นว่าข้าเป็นสัตว์อีกประเภทหนึง่งเช่นกันแต่ถึงอย่างไรสัญชาตญาณแห่งความเป็นมิตรที่จะต้องช่วยเหลือก็คงไม่เสื่อมคลายไปจากจิตใจของวายาได้วายาเจ้าไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายใจไปหรอกจงอยู่ตามธรรมชาติเดิมของเจ้า และพยายามรักษาตัวให้หายดีเป็นสุขอยู่กับสภาพเถอนะวายาข้าไม่ปรารถนาจะต้องให้เจ้ามาเดือดร้อนใดๆกับข้าด้วยทั้งสิ้นแง่ า, ายในที่สุดวายาพูดอย่างชาัดฉานชัดเจนและหนักแน่นในความหมายสิ่งที่ข้าจะแนะนำเจ้าได้ก็คือในวาระสุดท้ายที่เจ้าเข้าตาจน จงอย่าลืมฤาษีโกนทัญญา ะ, ะภาวนาระลึกถึงท่านวิงบอนท่านให้เข้าสิงสู่ดลใจวายาสั่งให้วาญานำกองทัพลิงแห่งภูเขานิลาการแห่งนี้ไปช่วยเจ้าถ้าปราศจากคำสั่งของท่านแล้ววาญาและลิงทรโมนทุกตัวที่นี่จะทำอะไรไม่ได้เลยข้าหวังไว้ว่า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 บอกมาเถิดแงซายบอกมาสิ่งใดที่เจ้าต้องการจากข้าเจ้ารู้เห็นอันใดเกี่ยวกับตั ว, ตวข้าก็ขอให้ปิดงามไว้อย่าแพร่งพรายให้พวกข้าทุกคนรู้จะได้ไหมนี่เจ้าปิดบังเขามาตลอดหรือว่าเจ้าคือจักรราชแห่งมรกฎนครก็เป็นการสมควรหรือ ที่พวกเขาจะต้องรู้ก่อนเวลาอันควรมันไม่ยังประโยชน์อันใดขึ้นมาเลยนะวายาวายาเสยะยจิ้มแล้วก้มหัวลงบีบมือตอบอย่า ก, กังวลในข้อนั้นไปเลยแง่ท า, ายถึงเจ้าจะไม่ขอร้องค่าหรือสีโกนทัญะก็สั่งข้าไว้แล้วไม่ให้พูดอะไรเกี่ยวกับพวกเจ้า ให้พวกของเจ้ารู้ว่าแต่เจ้าคิดเหรอว่าเจ้าจะค้นหาทางเข้ามรกรนครแผ่นดินของเจ้าได้ข้าต้องพยายามวายาหรือสีโกนทัญยะบอกเส้นทางให้แก่เจ้าบ้างหรือไม่ล่ะท่านไม่ยอมบอกอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าข้าจะอ้อนวอนท่านสักเพียงใดแต่ข้ามั่นใจว่าข้าจะต้องค้นหาได้เอง ว่าแต่เจ้าเถื่วายาเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในทิน่นี้เจ้าเคยผ่านล้ำแดนเข้าไปยังแผ่นดินเดิมของข้ามาก่อนบ้างหรือไม่โดยสัตว์จริงแง่ทรายข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีนครแห่งมนุษยชาติแอบแฝงซ่อนอยู่แถบยอดเขาพระศิวะทั้งที่ข้าก็ครองความเป็นใหญ่อยู่ในแถบตีนเขาพระศิวะ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 เทพเจ้าเบื้องบนก็ควรจะต้องเปิดทางให้แก่ข้าเช่นนั้นมิใช่หรือแงซ า, ายเจ้าเป็นรัชทาญาตอันชอบธรรมของบัรลังมรกฏนครฉะนั้นเจ้าก็ควรจะขวนกลับไปสู่ราชบัรลังของเจ้าแต่นั่นแหละเจ้าจะต้องตะลุยไปบนซากศพและทะเลเลือด แผ่นดินมรกตนครจะลุกเป็นไฟอีกครั้งเสียงนั้นผ่านออกมาจากริมฝีปากของวายาจอมวานนแต่เงาสายสดับฟังคล้ายจะเป็นเสียงของโกนทั ญ, ญมุนีผู้ทรงศสีงอยู่เหนือหน้าผาขึ้นไปทำให้ต้องยืนตะลึงจังงังนิ่งระพินไครวันพยายามจะเปิดเปลือกตาขึ้น รู้สึกหนังตาหนักอึ้งไปหมดเขาพยายามอยู่นานมันยากเย็นเหลือประมาณนี่ตัวเราเป็นอะไรไปคำถามผ่านขึ้นสมองแขนขาก็อ่อนเปรีย้ยหมดเรี่ยวแรงดูจะกระดิกกระเดี้ยมไม่ได้ลำคอแห้งผากเป็นผงขณะนั้นโสดก็แว่วเสียงเบาๆดังขึ้นใกล้ๆตัวว่ารู้สึกตัวแล้ว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 ยังไม่สามารถจะจำได้ว่าใครเป็นใครหูก็ยังแว่วเสียงเรียกชื่ออยู่เช่นนั้นเป็นสำเนียงกระซิบอ่อนหวานจำได้อย่างกระจ่างใจจากเสียงนั้นแม่ดอกฟ้าดารินของใครก็ไม่รู้แต่เป็นที่เฝ้าละเมอฝันเพียงเดียวดายของหัวใจตนเองอย่างมิได้ปองหวังระพินคุณหญิง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 นี่เขาตายไปแล้วแต่แลเห็นหล่อนโดยทางจิตวิญญาณหรืออย่างไรจ้องหนึ่งไปที่ดวงหน้านั้นต่อมาก็แลละไปตามลำดับของแต่ละใบหน้าที่ชะโงกล้อมงดูอยู่คุณชายเชษฐาคุณชายยันมารีฮอฟมันแม่ตาสีดอกผักตบแล้วก็ห่างออกไปนั่นคือเหล่าพรานพื้นเมืองคู่ชีพของเขาทั้งหลาย ซึ่งเป็นผ้าผพพ้ามัวออกไปเป็นลำดับแสงแห่งที่วาการอันกระจ่างแจ้มสาชัดให้เห็นทางปากท่ำและกระจายรัศมีเข้ามาถึงปากเพลิงที่ร่างกายนอนอยู่ในขณะนี้ไม่มีซอกมุมใดสลัวอยากจะอ้าปากทักทายหรือพูดอะไรออกไปแต่อนิจจาหลอดเสียงมันดูจะตีปตันไปหมด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 อย่าเพิ่งพยายามพูดอะไรทั้งสิ้นนะถ้าคุณยังพูดไม่ได้เขาอาปากครับกับขอบถ้วยนั้นสัมผัสกับลิ้นและม่านและผ่านลําคอโดยของเหลวที่ไหลเข้าไปก็บอกได้ทันทีว่ามันคือนมวัวนมสดสดที่ยังอุ่นอยู่ประหลาดแท้คนเหล่านี้ไปเอานมวัวได้มาจากไหนถามกลางพงไพรอันแสนจะ ก, กันดาน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 เริ่มจากระจ่างชัดขึ้นพยายามนึกทบทวนเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาเองเหรอนี่เขาเป็นอะไรอยู่ที่ไหนอย่าเพิ่งรบกวนอะไรเขาเลยค่ะพี่ใหญ่รู้สึกว่าจะอิดโรยมากค่ะเสียงหม่อมราชวงศ์สาวสวยเทพธิดาในดวงใจคนนั้นพูดดีเหมือนกันรู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาได้ก็บุญที่สุดแล้ว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 อย่าเพิ่งออกแรงอะไรก่อนตอนนี้เลยระพินคุณเพิ่งจะโง่หัวขึ้นได้เท่านั้นนะวันนี้อคุณควรจะนอนนิ่งอยู่กับที่ทั้งวันขอ้รู้ไว้ด้วยว่าครั้งนี้นะ่ะเป็นครั้งที่หนักที่สุดในชีวิตของคุณนับตั้งแต่ออกเดินทางมานะชัยยันพูดถูกแล้วคุณล้มดังโครมทีเดียวล้มอย่างเท่นิดที่ฉันเองก็ไม่คิดว่าคุณจะลุกขึ้นมาได้อีกแล้วตลอดไปนี่ทาไมมีส้างปาเหมือนตายแล้วเกิดใหม่รู้ไหม นี่ดื่มใด้หมดดื่มให้หมดนี่แหละพร้อมกับพูดหมอดารินส่งถ้วยนมมาให้อีกครั้งหนึ่งพยายามจะป้อนให้แต่รพินเอื้อมือไปรับขึ้นมาดูด้วยความประหลาดใจครานๆนมนีไม่ไปได้มาจากไหนนะครับวัวป่าไงนีลากับบริวารของวายาเข้าไปหามาให้อย่าเพิ่งมีปัญหาอะไรนักเลยตอนเนี้ย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 รพินดื่มนมถ้วยนั้นจนหมดตามคำสั่งรู้สึกแช่มชื่นกระปรี้กระปร้าวขึ้นแต่ก็ยังราหวยโรยแรงอยู่เหมือนคนเพิ่งสั่งข่ายทันใดนั้นความโทมนัสขมคืนก็วิ่งเข้าครอบงำดวงจิตแง้ทรายเขาพึงงพามออกมาด้วยเสียงแหบหืดนี่มีใครไปพลิกขินเอาศพแง้ทรายออกมาหรือยังล่ะครับ ในระหว่างที่ผมนอนหมดสติอยูน่นี้ทั้งหมดมองตากันยิ้มยิ้มอยู่ในทีรับหินจ้องอาการของคนเหล่านั้นด้วยความชงนโง่ฉงอยใจขีดสุดก่อนที่ความสงสัยของเขาจะคืบหน้าไปอย่างไรท่านหัวหน้าคณะก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงกังวานว่ารับพินคุณฟื้นขึ้นมาครั้งนี้พวกเรามีของขวัญชนิดหนึ่งจะมอบให้กับคุณด้วย